ก็คลายสภาพทุกนั้นถูกแทนที่ด้วยสติเต็มดวงกลายเป็นเบิกบานขึ้นมาใหม่เบนวิถีความคิดไปอีกทางคือเป็นมนุษย์นั้นดีอย่างนี้เองเนอหาเงินเลี้ยงชีพก็ได้แถมเมื่อเกิดในยามพุทธศาสนาอุบัติก็มีปัญญาเอาชนะความไร้สติความไม่รู้และความแน่นทึกทั้งปวงได้